1. มูสาวาดวัค 6. ทุติยศ า, าสยยะศิขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกันข้อที่สองเรื่องพระอนุรุทธะ 55. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่นพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะเดินทางไปกรุงสาวัตถีแควนโกศล ถึงหมู่บ้านตำบลหนึ่งในเวลาเย็นสมัยนั้นมีหญิงคนหนึ่งจัดสร้างเรือนพักแรมไว้ในหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นท่านพระอนุรัต t h เข้าไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับหญิงนั้นดังนี้ว่าน้องหญิงถ้าเธอไม่ลำบากใจอาตมาขอพักในเรือนพักแรมสักหนึ่งคืนนางกล่าวว่าเนี่ยม์ท่านพักเถิดเจ้าค่า ฝ่ายพวกคนเดินทางเราอื่นก็ได้เข้าไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้ลกล่าวกับหญิงนั้นดังนี้ว่าคุณนายขอรับหากคุณนายไม่ลำบากใจพวกเราขอพักในเรือนพักแรมสักหนึ่งคืนนางกล่าวว่าหากพระคุณเจ้าผู้เข้ามาก่อนอนุญาตก็เชิญพวกท่านพักแรมได้พวกคนเดินทางจึงเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะ ถ, ถึงที่พักครั้นถึงแล้ว จึงกล่าวกับท่านพระอนุรัตถ์ดังนี้ว่าท่านขอรักถ้าท่านไม่ลำบากใจพวกกระผมขอพักในเรือนพักแรมสักหนึ่งคืนท่านพระอนุรุตธ์กล่าวว่าเชิญท่านทั้งหลายพักเถิดครั้งนั้นแลอย่งนั้นมีจิตระกให้ในท่านพระอนุรุตธ์ตั้งแต่แรกเห็นดังนั้นนางจึงเข้าไปหาพระเถระถึงที่พักครั้นถึงแล้วจึงกล่าวกับท่านว่าพระคุณเจ้าอยู่ ปะพลกับคนพวกนี้ไม่สะดวกทางที่ดีดิฉันควรจัดเตียงข้างในห้องถวายพระคุณเจ้าท่านพระอนุรุทธะรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นแล้วนางจึงจัดเตียงข้างในห้องถวายด้วยตนเองแล้วแต่งตัวปราพรมเครื่องหอมเข้าไปหาพระเถระถึงที่พักครั้นถึงแล้วจึงกล่าวกับท่านพระอนุรุทธะนั้นดังนี้ว่า พระคุณเจ้าพระคุณเจ้ารูปงามน่าดูน่าชมส่วนดิฉันก็รูปงามน่าดูน่าชมทางที่ดีดิฉันควรเป็นพระยาของพระคุณเจ้าเมื่อนางกล่าวอย่างนี้ท่านพระอนุรุทธะได้นิ่งเสียแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามิงนั้นก็กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะนั้นดังนี้ว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ารูปงามน่าดูน่าชมส่วนดิฉันก็รูปงามน่าดูน่าชม ขอให้พระคุณเจ้ารับตัวดิฉันและสมบัติทั้งปวงเถิดแม้ครั้งที่สท่านพระอนุรุทธะก็ได้นิ่งเสียลำดับนั้นนางจึงเคลื่องผ้าออกเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างต่อหน้าพระเทระที่นั้นพระเทระสำรวมอินทรีย์ไม่แลดูไม่พูดกับนางยิงนั้นคิดว่า น, นาศจันทร์ไม่เคยมีคนส่วนมากส่งทรัพย์มาให้เราน้อยกหาปณะบ้างพนกหาปณะบ้าง แต่พระสมณรูปนี้เราอ้อนวอนก็ยังไม่มปรารถนาที่จะรับตัวเราและสมบัติทั้งปวงจึงนุ่งภ้าแล้วน้อมศีรษะลงแทบเท้าท่านพระอนุรุตธขอขมาว่าพระคุณเจ้าดิฉันได้กระทำความผิดเพราะความโมงกเขาเบาปัญญาที่ได้กระทำอย่างนี้ขอพระคุณเจ้าจงให้อภัยโทษแก่ดิฉันเพื่อสำรวมต่อไปพระเทระกล่าวว่า น, นุ่งหิง ความผิดไปเพราะความโง่เขลาบาบัญญาที่ได้กระทําอย่างนี้เพราะเหตุที่เห็นความผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องข้อนั้นอตมายอมรับเพราะการที่บุคคลเห็นความผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องและสํารวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในธรรมวินัยของพระอริยะครั้นราตีนั้นผ่านพ้นไปหญิงนั้นได้เอาของเคี้ยวของฉันอย่างดีประเคนท่านพระอนุรุทธะด้วยตนเอง กระทั่งท่านพระอนุรัธชันเสพละมือจากบาดจึงอภิวาสแล้วนั่งหน้าที่สมควรท่านพระอนุรัธได้ชี้แจงให้หญิงนั้นผู้นั่งอยู่หน้าที่สมควรเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารกล้าวกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นหญิงนั้นซึ่งท่านพระอนุรัธได้ชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารกล้วกล้า ปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วได้กล่าวกับท่านพระอนุรทธาวาพระคุณเจ้าภาสิทธิ์ของท่านชัดเจนไพเราะ ย, ยิ่งนักพระคุณเจ้าภาษิทธิของท่านชัดเจนไพเราะ ย, ยิ่งนักพระคุณเจ้าประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่า ง, างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่าําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูป พระคุณเจ้าดิฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระคุณเจ้าจงทรงจำดิฉันว่าเป็นอุบาสิกาผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตจากนั้นพระเทระเดินทางไปกรุงสาวัตถีแล้วแจ้งเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตหนิประนามโขนนาว่า ั้นท่านพระอนุร ธ, ธจะจนอนร่วมกับมาตุคามเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนีท่านพระอนุรธธัะโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระภู้มีพระภาคให้ทรงทราบ